อีกปัญหาหนึ่งภิขุปนามิตะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคมๆมเนี่ยนะก็คือปนามิก็คือปนา ม, ะ น, ามะนะปะนามตัวนี้แปลว่าไล่พระเจ้ามิลินก็ถามต่อไปว่าพระคุณเจ้านากเกษตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงภา ษ, ษิตความข้อ น, นี้ไว้ว่าอักโกธนโนวิคตะคิโลหมามัสมิแปลว่าเราเป็นคนมีปกติไม่โกรธและปราศจากทมเครื่องแข็งกระร่าง วิคตเนี่ยนะวิคตแปล ว, ว่าปราศจากไปกิโลก็คือคิโลก็คือคีระตะปูตรึงใจเนี่ยน ะ, ะฮามาสมมก็คือเราเพราะะนันพรบอกว่าเราเนี่ยอกโกธโนแปล ว, ว่าผู้มีปกติไม่โกรธหรือคนที่ไม่โกรธหรือโกรธไม่เร็นนะไม่รู้ทำยังไงให้พระพุทธเจ้าโกรธได้ไม่มีทางนะและไม่มีสิ่งที่จะทำให้ใจเนี่ยแข็งกระด้าง หรือด้วยเจโตขีรธรรมห้าเนี่ยนะเจโตขีรธรรมเนี่ยมีห้าตะปูตรึงใจเนี่ยห้าอย่างหนึ่งสงสัยในพระพุทธสองสงสัยในพระธรรมสมสงสัยในพระสงศ์สสงสัยในศึกษาสุดท้ายทะเลาะ ก, กันมองหน้ากันไม่ติดก็เลยเลิกเรียนธรร ม, มะเนี่ยนะก็ว่าเหตุที่ทําให้คนไม่ปฏิบัติธรรมก็คือโมแต่ทะเลาะ ก, กันเองก็ว่า ง, งั้นพันพระพุทธเจ้านี่ไม่มีจิตใจทะเลาะ ก, กับใคร ไม่มีจิตใจที่เรียกว่าชวนใครทะเลาะหรือทะเลาะกับใครไม่มีทั้งนั้นเพราะพระองค์ปราศจากกิเลสที่เป็นความโกรธดุดตะปูเนี่ยนะมันมีแล้วที่มาทิ้มใจคาใจอยู่นั่นแหละดับหมดแล้วอันนี้อันนี้เป็นพุทธพจน์ที่ยกมาจากที่หนึ่งว่าเราเนี่ยเป็นคนมีปกติไม่โกรธปราศจากเครื่องแข็งกระด้างคือความโกรธที่เหมือนตะปูเนี่ยนะกระวมไม่ได้กลืนตะปูเอาไว้ในอ ก, กว่างอนน แต่ว่าอีกครั้งหนึ่งพระตถาคตทรงขับไล่พระสารีบุตรและพระโมคขาลานะเทระพร้อมทั้งด้วยบริษัทว่าคัจฉาพิขเวปนาเมมิโวนาโวมะมาสันติเกวัตพังนี่เนี่ยพี่สุทั้งหลายจงไปเเถอะเราขอขับไล่พวกเธอพวกเธอไม่ควรจะอยู่ในสำนักของเราดังนี้โอ้พระพุทธเจ้าบอกพระองค์ไม่โกรธมีปกติอยู่ด้วยความไม่โกรธไม่ได้กลื่นตะปูไว้ในอกในใจเนี่ยนะไม่มีเลยเสร็จแล้วบอกว่าไล่พระพระสารีบุตร พร้อมกับภิกษุส่งห้าร้อรูปพระคุณเจ้าพระตถาคตทรงเกริว้วหรือจึงขับไล่บริษัทหรือว่าทรงมีพระไทยดีอยู่ก็ขับไล่เล่าหรือว่าคนใจดีคนปกติแต่ไล่อะไล่แบบคนใจปกติเอ๊มยังไงกันพระพุทธเจ้าโกรธไล่หรือว่าใจยังดียิ้มแย้มแจ่มใสแล้วไล่คนออกไปข้อนี้ท่านก็ต้องรู้ก่อนเที่ยวนะก็ต้องรู้อยู่แก่ใจว่าทําไมจังไหร่างบนั้นพระคุณเจ้าอนากเกษตถ้าหากว่าพระตถาคตทรงเกีิ้ว จึงทรงขับไล่บริษัทซ้ายท่าอย่างนั้นคําที่ว่าพระตถาคตก็ยังทรงเลิกละความโกรธไม่ได้หมายคือว่าถ้าอย่างไล่คนอื่นก็แปลว่าพระตถาคตยังเลิกละความโกรธไม่ได้แปลว่ายังโกรธอยู่งั้นพระพุทธเจ้าก็ยังขุนมัวอยู่เหมนกันถ้าหากว่าทรงมีพระทัยดีอยู่ซ้ายก็ยังทรงขับไล่ซ้ายท่าอย่างนั้นก็เป็นอันว่าไม่ทรงรู้อยู่จึงทรงขับไล่ในเรื่องที่ไม่สมควร ก็คนใจดีอยู่แล้วก็ยังไล่คนออกไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นไปได้ยังไงก็แสดงว่าต้องลุ่มหลงสักอย่างหนึ่งแหละจะต้องโง่เขลาแน่นอนอะ่ะว่าคนใจดีแล้วไล่คนออกวัดอะ่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงสรุปบอกว่าไม่โกรธแต่ก็ขับไล่พระแล้วก็บอกขับไล่พระด้วยความไม่โกรธเอ้มอยังไงกันปัญหาแม่นี้ก็มีสองเงื่อนตกถึงแก่ท่านแล้วขอท่านจงคลี่คลายปัญหานั้นเถิด ะนาเกษงก็ตรัสว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษพระองค์ทรงพาสิทธิ์ความข้อนี้ไว้ว่าเราเป็นคนมีปกติไม่โกรธปราศจากทำเครื่องแข็งกระด้างหรือปราศจากความโกรธที่เป็นเหมือนตะปูดังนี่จริงและพระองค์ก็ทรงขับไล่ภาษาริบทพระโมคขลานะพร้อมทั้งบริษัทเนี่ยจริง ก็แต่ว่าข้อที่ทรงขับไล่บริษัทนั้นหาได้ทรงขับไล่ไปเพราะความขุนเคืองไหมไม่ได้ไล่ด้วยความกโกรธรอกนะมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองจาตุมาพระสารีบทพระโมคคลานะได้พระได้ลูกศิษย์ใหม่ๆมาห้าร้อยรูปนะก็พระภิกษุใหม่ๆเหล่านั้นต้องการจะไปกราบไหว้พระพุทธเจ้าก็เลยติดตามพระสารีบดพรโมอกลานะไปเพื่อจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พอไปถึงวัดที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่เท่านั้นแหละเสียงเออะโวยวายระงมดังวัดไปหมดเลยว่าพระภิกษุเหล่านั้นบอกว่าเนี่ยกุฏิของผมอยู่ตรงไหนกุฏิอาจารย์ผมอยู่ตรงไหนกุฏิอุปชาผมอยู่ตรงไหนคิดดูห้าร้อยคนเนี่ยทุกคนพูดหมดเลยเนี่ยพระใหม่ๆทั้งหมดเนี่ยจะเป็นยังไงใช่ไหมเสียงก็ดังสนั่นไปหมดพระพุทธเจ้าก็ถามพระนาินท์ว่านรินท์นั่นเสียงใครมาเสียงดังระงมเหมือนชาวประมงแย่งปลาเหมืนกันผูการว่างไงนะ แบ่งปลากันยังไม่เสร็จหรือไงยอย่างเงี้ย น, นะก็คือแบเพราะไหนนะให้เกียรตินี่นึ่ยว่าแบ่งปลากันอยู่อย่างเง้ยเลยเสียงดังคร ง, งมไปหมดนะหลายแห่งเนี่ยบอกว่าเออทําไมท่านไม่เห็นเทศสักทีก็บอกเขายังแบ่งปลากันไม่เสร็จให้ก็แบ่งปลาให้เสร็จให้ก็ว่ากันให้จบปรึกษากันให้มันแล้วก่อนแล้วค่อยว่ากันกทีว่ากันทีละคนดีกว่าอย่างเงี้ยก็เลยนั่งนิ่งสักครึ่งชั่วโมงก็ดีเหมือนกันนี่ก็เสียงคร ง, งมไปหมดเลยนะ พ่อเอก็บอกว่าอนนท์เสียงอะไร น, นะเสียงอะไรมันดังระ ง, งมเหมือนชาวประมงแย่งปลาพระ น, นนก็บอกว่าเนี่ยพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพาพระพิโสมาประมาณ500รูปเนี่ยท่านกำลังจัดแบ่งเรื่องเสนาสนะเนี่ยเสียงดังสนั่นพระเจ้าค่าบอกไปบอกเลยว่าเราประนามให้ไปให้หมดเล ย, เ น, ยนะจงไปว่างันเราประนามพวกเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายไม่ควรอยู่ในสํานักของเราว่ากัน ที่พระพุทธเจ้าตรัสไปนั้นเนี่ยนะที่ขับไล่ไปนั้นไม่ได้ทำเพราะความโกรธเคืองคือพระองค์ปรารบว่านี่ขนาดอยู่ในพุทธสํานักนะยังทำกันได้ขนาดนี้ถ้าห àng, ่างเรียกว่าห่างไกลาตาหูเนี่ยจะขนาดไหนห่างพระเนตรพระกันเนี่ยจะขนาดไหนเพราะฉะนั้นถือว่าไม่มีคุณสมบัติพอที่จะอยู่ในพุทธสํานักมงังนขอถวายพระพรบุุษบางคนในโลกนี้พลาดล้มลงไปบนแผ่นดิน ตรงที่มีแต่รากไม้ก็ดีตรงที่มีแต่ตอก็ดีตรงที่มีแต่ก้อนหินก็ดีตรงที่มีแต่คโคลนตมก็ดีนะหกล้มไปที่พื้นดินที่กรุกขระก็ดีขอถวายพระพรแผ่นดินใหญ่คุณเคืองทำบุรุษนั้นให้ล้มลงไปหรือสมมติว่าเดินไปสะดุดตอล้มเนี่ยนะเดินแล้วขัดขาตัวเองล้มเนี่ยแล้วก็ถูกแผ่นดินที่มันเจ็บปวดเนี่ยถามว่าแผ่นดินโกรธเรื่องอะไรทาให้คนที่ล้มตกไปเจ็บปวด คิดง่ายาประสบอุบัติเหตุกันแล้วกันนะมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วเอาตัวไปครูดกับลาดยางนละนะยางมะตอยเนี่ยอย่างมาตอ ย, อ ย, ตอยกโกรธหรือยังไงถนนกโกรธคนล้มหรือยังไงครูดซะพกช้าดําเขียวไปหมดนะถึงเลือดถึงเลือ ด, ถ, อดถึงกระดูกไปหมดเลยหาไม่ได้พระคุณเจ้าแผ่นดินใหญ่หามีความขุนเคืองใจหามีความชื่นชมไม่แผ่นดินใหญ่เนี่ยปลอดพ้นจากความดีใจพ้นจากความเสียใจแต่ผู้นั้นซุ่มซ่ามเองเทียว จึงพลาดลม้มลงไปเน่ยนะเนซอเองอะนะขอถวายพระพรอุปมาฉั้นใดอุปมาอก็ฉันนั้นเหมือนกันพระตถาคตเจ้าทั้งหลายไม่ทรงคุณเครืองหรือชื่นชมอ่าคุณเครืองด้วยโทสะพระองค์ไม่ได้ชื่นชมด้วยโลภะพระตถาคตรอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ปลอดพ้นแล้วจากความดีใจด้วยโลภะความเสียใจด้วยโทสะ เมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุเหล่านั้นก็เป็นอันถูกขับไล่เพราะความผิดที่ตนทำเอาไว้เองคือตามสมควรแก่เหตุเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ยกคนที่ควรยกชมคนที่ควรชมหรือว่ายกย่องคนที่ควรยกย่องพระองค์เนี่ยเ ป, เป็นวิพัชวาทีบุคคลพระองค์เป็นคนจำแนกพระองค์จึงจำแนกว่าอยากคบคนบานให้คบแต่บัณฑิตเป็นต้นเนี่ยถ้ามาเสียงเอะโวยวายเนี่ย มันเพ้อเจ้อทั้งนั้นอ่ะถามว่าพระพุทธเจ้าอยู่ร่วมกับคนพาลไหมพระองค์ไม่อยู่ร่วมด้วยอยู่แล้วเนี่ยนะถ้าไม่ถ้าพระองค์ไม่จากเขาก็ต้องจากอ่ะมีอยู่ครั้งนี่ก็มีมีสองอย่างถ้าพระภิกษุเนี่ยนะเอะอะโวยวายในลักษณะโลภะเป็นลักษณะเดรัจฉานกถาพระพุทธเจ้าไล่หนีแต่ถ้าพระภิกษุเหล่านั้นทะเลาะกันพระพุทธเจ้าหนีเองเนี่ยนะพรทะเลาะกันห้ามไม่ฟังพระองค์ก็ไปเองคือพระองค์จะไม่อยู่ร่วมกับคนพาลเนี่ยนะ พระองค์นี่จำไม่อยู่ร่วมกับคนพานโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เป็นอย่างนี้แหละเปรียบเหมือนอะไรขอถวายพระพรมหาสมุรในโลกนี้ย่อมไม่อยู่ร่วมกับซากสัตว์ตายมหาสมุรจะซัดซากสัตว์ตายที่มีอยู่ในมหาสมุดให้ลอยขึ้นฝั่งไปขอถวายพระพรมหาสมุดคุณเครื่องซากศพนั้นหรือทะเลโกรธผีใช่ไหมเหมือนกันโกรธซากศพที่อยู่ในในทะเลหรือเปล่าจึงพัดเอาไม่ขออยู่ร่วมกันเนี่ยนะ หาไม่ได้พระขุนเจ้ามาหาสมุทรหามีความคุณเคืองหรือชื่นชมไม่มาหาสมุทรปลอดพ้นจากความดีใจและเสียใจขอถวายพระพอรอุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันพระตถาคตเจ้าทั้งหลายไม่ทรงมีความขุนเคืองด้วยโทสะหรือมีความชื่นชมด้วย โลภะพระตถ า, าคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ปลอดพ้นแล้วจากความดีใจด้วยโลภะเสียใจด้วยโทสะเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุเหล่านั้นก็เป็นอันถูกขับไล่ไปเพราะความผิดของตนที่ตนทำเอาไว้นั่นแหละนะตามสมควรเนี่ยนะเพราะว่าเหมือนกับอะไรซากศพไม่อยู่ในทะเลหรือทะเลไม่ขออยู่ร่วมกับซากศพพระพุทธเจ้าก็ไม่ขออยู่ร่วมกับคนพ่านฉ น, นั้นเนี่ยนะ เพราะอารหันต์นี่แปลความหมายหนึ่งเลย ว, ว่าผู้อะไรห่างไกลาจากคนผ่านเนี่ยนะห่างไกลาจากสัตว์บุรุษเนี่ยนะคนเหล่าใดไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีวินัยของพระอริยะไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมของพระอริยะเป็นต้นนะคนที่มากไปด้วยราคะโทสะโมหะพระพุทธเจ้าไม่อยู่ร่วมกับบุคคลเหล่านั้นเนี่ยนะไม่อยู่ร่วมเลยถึงอยู่ใกล้กันใจก็ห่างกัน สมุดฝั่งนี้กับฝั่งโน้นว่าอยู่ไกลกันแล้วแต่ใจของท่านทั้งสองนั้นก็ห่างกันยิ่งกว่านั้นอีกขอถวายพระพรต่อไปว่าบุรุษผู้พลาดพลั้งบนแผ่นดินย่อมล้มลงไปฉันใดภิกษุผู้ผิดพลาดในพระศาสนาอันประเสริฐของพระชินเจ้าย่อมถูกไล่ฉนั้นเหมือนกันนนะถูกไล่นะเาก็ไม่ถ้าเป็นทางพระวินยัยก็ไม่ใช่ว่าจะโอ้เก็บไว้ทั้งหมดเนี่ยนะ ชั่วก็ช่างเลวก็ช่างเอามาเก็บไว้ร่วมกันไปหมดตะบนกันอย่างนั้นก็ไม่ใช่นีนะขอถวายพระพรซากสัตว์ตายในมหาสมุทรย่อมถูกซัดไปฉันใดภิกษุผู้ผิดพลาดในพระศาสนาอันประเสริฐของพระชินเจ้าย่อมถูกขับไล่ไปฉ น, นั้นขอถวายพระพรมหาบาพิษบรรดาภิกษุเหล่านั้นพระตถาคตทรงขับไล่ภิกษุที่รักตนต้องการประโยชน์ปรารถนาความสุขใคร่ความบริสุทธิ์ พระองค์เนี่ยดำเร็จไว้ว่าภิกษุเหล่านี้จักบริสุทธิ์จากชาติชราพยาธิและมรณะได้ก็โดยประการอย่างนี้ดังนี้แล้วขับไล่คือพระภิกษุเหล่านั้นเนี่ยนะที่จริงท่านก็บุต ด, ด้วยศรัทธานะท่านฟังธรรมจากพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะมีศรัทธาเข้าใจในคาสอนพอสมควรเลยแหละแล้วปรารถนาที่จะเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ไปถึงนี่มัวแต่เอะอะโวยวา ย, วา ย, วายพระพุทธเจ้าก็เลยขับไล่ไปพอออกจากบริเวณวัดเท่านั้นเสียใจอย่างสุดซึ้งพวกกันเสียใจมากว่าไม่น่าเลยเราอุตส่าห์มาตั้งไกลจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้ายังไม่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ไล่นี้แล้วเพราะความผิดของตัวสำนึกผิดอย่างรุนแรงแล้วก็เท้ามาหาพรหมเป็นต้นเนี่ยนะก็มาอ้อนวอนพระพุทธเจ้ามาขอร้องแล้วพระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้เรียกพระพิสุเหล่านั้นกลับเข้ามาเฝ้าคืน แล้วพระองค์ก็แสดงอรยิยสัจจะทำก็บรรลุกันหมดเลยเนี่ยนะเพราะนั้นบางคนนี่ต้องถูกไล่ก่อนแล้วค่อยบรลุทีหลังเลยนะแสดงว่าแต่ว่าพระพิสูจนเหล่านี้ท่านก็รักตัวเองนะจริงจท่านก็รักตัวเองแต่ก็มีความประพฤติผิดพลาดนะนะจริงๆท่านก็ต้องการประโยชน์ของตนคืออรหัตตะผลเพราะท่านบวชบวชเพราะต้องการอรหัตตะผลจริงๆแล้วท่านต้องการความสุข ท่านไม่ต้องการทนทุกข์อยู่ในวัตตะท่านต้องการบริสุทธิ์จากราคาโทสะและโมห oh ะเพียงแต่เผลอไปนโะมตะคิดเรื่องกุฏิเลยลืมเรื่องพระพุทธเจ้าอจะนอนที่ไหนคืนนี้เป็นเ น, นี่ยนะอุปชาจะพักตรงไห น, นเพียงแต่ว่าอะไรนะบางบางชุมชนบางคนเนี่ยที่ไม่เคยได้รับการฝึกว่าสถานที่เหล่าใดควรปฏิบัติตัวเช่นใดเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ฟังก็เลยเพรว่าไม่รู้จักความ เหมาะสมไม่รู้จักทำเนียมอะไรควรไม่ควรเป็นต้นนั่นก็แต่ก็พระพุทธเจ้าใช้วิธีนี่นะไล่ออกไปทีเรียกกลับมาใหม่บรรลุได้ก็ค้มอ่ะนะแ <c oughs> ม่อยากให้ไล่เราบ้างงี้ยนะนะกลับมาจะได้บรรลุเลยนะแต่ไมนะ่บางคนเนี่ยเออไล่แม่ไม่อยากอยู่อยู่แล้วนะจะได้ไปทืตีอย่างนั้นนะบางคนก็อาศัยถือโอกาสเหล่านั้นส่งไปเลย